เจริญพรท่านผู้มีจิตเมตตากรุณาใจบุญใจกุศล ท, ทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาวที่22เมษายนพุทธศักราช2560เป็นวันที่ท่านทั้งหลายไม่ต้องไปทำงานทำการเลยได้ตั้งใจมาวัด มาพัฒนาจิตใจให้เจริญรุ่งเรื่องก้าวหน้าตามคําสอนของพระพุทธเจ้าด้วยการมาทําบุญทำทานมารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมมาฟังเทศน์ฟังธรรมก็การ พัฒนาจิตใจเป็นการพัฒนาที่แท้จริงเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนที่สาวงังที่จะไม่เสื่อมไม่หมดไม่จากเราไปเวลาที่เราตายไปแล้วการพัฒนาทางร่างกาย ทางทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองตามตำแหน่งตามยศถาบรรดาศักดิ์ตามสรรเสริญยกย่องเยือนยอและตามสิ่งต่างๆเช่นรูปเสียงก่นรตดการพัฒนาสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นการพัฒนาไม่ย่ำยืนเพราะสิ่งต่างๆนี้ เป็นสิ่งที่จะต้องเสือ่อมจะต้องพังไปจะต้องหมดไปไม่เหมือนกับสิ่งที่เรามาสร้างให้แก่จิตใจมีแต่จะเจริญขึ้นไปตามลำดับจนถึงขั้นสูงสุดพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเราอย่าไปให้ความสำคัญกับการพัฒนา ทางร่างกายทางลาบยศสรรเสริญความสุขทางตาหูจมูกนิ้งกายเพราะเป็นของชั่วกราวได้มาแล้วไม่ช้าก็เร็วก็ต้องหมดไปดูการพัฒนาทางโลกที่ได้ทามาในอดีตมีการสร้างถาวรและวัตถุต่างๆแต่ในที่สุด ก็กลายเป็นซากปรากหักพังไปดูกำแพงเมืองจีนดูปิระมิดดูกลุ่มสุขโขทยัยกลุ่งศรีอายุทยากลุ่โรมสาววลและวัฒนธรังนี้มนุษย์เราหลงไหลสร้างกันให้ยิ่งใหญ่เพราะคิดว่าเป็นการสร้างความเจริญสร้างความสุขให้กับตนเอง แต่ที่ไหนได้พ อ, อถึงเวลาที่ร่างกายต้องตายจากโลกนี้ไปความสุขที่ได้จากการพัฒนาสิ่งของต่างๆท า, าวและวัถวะตถุต่างๆก็กลายเป็นความทุกข์ไปเพราะจะต้องมีการพัดพร่าจากของที่เราล้างไปแต่การพัฒนาทางด้านจิตใจนี้ เวลาที่ร่างกายตายไปเราจะไม่พัดพลาดจากสิ่งที่เราได้พัฒนากันขึ้นมามันจะติดไปกับใจของเราติดไปทั้งส่วนที่เป็นเหตุและส่วนที่เป็นผลส่วนที่เป็นเหตุก็คือการกระทาที่จะทำให้เกิดผลคือความสความเจริญของจิตใจ มันจะไปกับเราเรามีศรัทธาความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ความเชื่อ<ม>ความศรัทธานี้ก็จะติดไปกับใจของเรา<ม>ทุกภพทุกชาติเราจะเชื่อเราจะทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าของพระอริยสงสาวโลกไปไเรื่อง<ม>พอเราทำมันก็จะติดไปกับเรา เป็นยิสัใสอนให้ทำทานเราก็จะทำทานกันไปเรื่อยๆเกิดมากี่พ่กี่ชาติเราก็จะทำทานกันสอนให้รักษาศีลเราก็จะรักษาศีลกันไปสอนให้เราปฏิบัติธรรมให้นั่งสมาธิทาใจให้สงบเราก็จะทำต่อไปสอนให้เราใช้ปัญญาสอนให้เรา พิจณาให้เห็นว่าสิ่งต่างๆที่เรามาได้นี้เป็นของชั่วคราว mm. ไม่ว่าจะเป็ น, านลาบยศสรรเสริญ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเป็นของที่เราเอาไปไม่ได้ mm. แล้วถ้าเราอยากเราก็จะทุกข์เราจะเสียใจ <c oughs> เวลาที่เราได้มาเราก็จะต้องทุกข์กับการ ห่วงใยทุกข์กับการดูแลรักษาแล้วก็ต้องมาทุกข์กับเวลาที่เราต้องสูญเสียพัดพลาคจากสิ่งที่เรารักเราชอบไปให้เรามาหาสิ่งที่เป็นความสุขที่แท้จริงที่ถาวรคือมาหาความสุขจากการมาทำบุญทำทานมารักษาสี่มานั่งสมาธิทำจิตใจให้สงบ แล้วความสุขที่เราได้จากการทำทานจากการรักษาศีลจากการนั่งสมาธิจากการมีปัญญามันก็จะติดไปกับใจของเราทำให้ใจของเราพัฒนาสูงขึ้นไปตามลำดับใจของเรานี่ไม่ได้เป็นเพียงแต่มนุษย์อย่างเดียวสามารถเป็นเทวดาก็ได้เป็นพรหมก็ได้ เป็นพระอริยะเจ้าก็ได้เป็นพระโสดาบันก็ได้เป็นพระสกิดาคามีก็ได้พระอนาคามีก็ได้พระอรหันต์ก็ได้พระพุทธเจ้าก็ได้ของเหล่านี้เกิดจากการพัฒนาตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงพัฒนามาใจของพระพุทธเจ้าก่อนที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้าใจของท่านก็เป็น ใจของมนุษย์บ้างเป็นเทวดาบ้างเป็นพรหมบ้างแล้วมาในชาติสุดท้ายท่านก็ค้นพบวิธีที่จะทำให้ใจของท่านได้เป็นพระอริยเจ้าได้เป็นโสดาบันได้เป็นสกิดาคามีได้เป็นอนาคามีและได้เป็นพระอาหารหันตตะสำ ม, มาสัมพุทธเจ้านี่คือ เรื่องของจิตใจของพวกเราที่เราสามารถทำให้ดีกว่าที่เราเป็นอยู่ขนาดนี้ได้สามารถสร้างความสุขให้มีมากขึ้นไปกว่า น, นี้ได้และสามารถเอาติดตัวกับเราไปได้เช่นถ้าเราเป็นเทพในตอนนี้เวลาตายไปร่างกายตายไปเราก็ไปเป็นเทพถ้าเรา ทำตัวให้เราเป็นพรหมนั่งสมาธิได้ทําใจให้สงบได้พอเราร่างกายตายไปใจของเราก็ไปเป็นพรหมทันทีถ้าเราเป็นโสดาบันเวลาตายไปเราก็เป็นโสดาบันต่อไปไม่เสื่อมไม่หมดมีแต่จะขึ้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆจากโสดาบันกลับมาเกิดในเราก็มาปฏิบัติธรรมต่อ แล้วเราก็จะขึ้นไปสู่ขั้นที่สองขั้นสกิดาคามีถ้าตายไปก่อนกลับมาเกิดใหม่ก็มาพัฒนาขึ้นไปสู่ขั้นที่สามสามารถพัฒนาสูงขึ้นไปเรื่อยๆจะไม่เสื่อมลงมาไม่เหมือนกับการเป็นมนุษย์ชานี้เราเกิดเป็นมนุษย์เราอาจจะโชคดีเราอาจจะได้บุญเก่าส่งมา ทำให้เราเกิดร่ำรวยมียศมีตําแหน่งบางคนก็เป็นนายพลบางคนก็เป็นนายกบางคนก็เป็นพระเจ้าแผ่นดินแต่เวลาตายไปเอาความร่ำรวยไปไม่ได้เอานายพลไปไม่ได้เอานายกเอาพระเจ้าแผ่นดินติดตัวไปไม่ได้กลัมาเกิดชาติต่อไปก็ต้องมาเริ่มต้นใหม่ แล้วแต่ว่าบุญหรือบาปจะส่งมาถ้าเป็นบุญส่งมาก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ที่มีฐานะดีแล้วแต่บุญว่าที่เราทำมากน้อยเพียงไรถ้าทำบุญมากก็จะกลับมาล่ำรวยได้กลับมาเป็นใหญ่เป็นโตได้แต่ถ้าทำบาป ก, ก็กลับมาเป็นเดรัจฉานแทนกลับมาเป็นสุนัขกลับมาเป็นแมว เป็นนกเป็นอะไรต่างๆตามอำนาจของบุญและบาป ท, ที่เราทำไว้พระพุทธเจ้าจึงสอนไม่ให้เราทำบาปกันให้เรารักษาศีลกันการรักษาศีลก็คือวิธีที่เราจะไม่ทำบาทนั่นเองเพราะถ้าเรารักษาศีลเราก็ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ได้ลักทรัพย์ไม่ได้ประพฤตผิดประเวณีไม่ได้โกหกไม่ได้ ดืมสุรายาเมาไม่ได้พอเราไม่ได้ทําบาปเหล่านี้เราก็ไม่ต้องมีบาปมาเป็นผู้ส่งให้เรามาเกิดเป็นสุนัขเป็นแมวเป็นนกเป็นสัตว์อะไรต่างๆเพราะว่าเหตุที่ทําให้เราเป็นสิ่งเหล่านี้เราไม่ทําในทางตรงกันข้ามถ้าเราทาบาปกันไป โดยที่เราไม่เชื่อว่าตายแล้วเราจะต้องกลับมาเกิดใหม่เพราะเราเห็นว่าร่างกายนี้พอตายแล้วก็ต้องกลายเป็นที่เท่าไปแล้วใครจะกลับมาเกิดใหม่อันนี้เป็นเพราะว่าเราไม่รู้ว่าตัวเราที่แท้จริงไม่ใช่ร่างกายร่างกายนี้เป็นเพียงลูกน้องคนรับใช้่อยเราเป็นคนสั่งให้ร่างกายทาอะไรต่าง ทำบุญทำบาปแต่ร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราตัวเรานี่คือใจผู้รู้ผู้คิดผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆแล้วก็เกิดความสุขกับความทุกข์ที่เกิดจากการกระทาต่างๆเช่นเราทำบุญเราก็จะเกิดความสุขใจขึ้นมาเราทำบาปเราก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา ผู้นี้แหละผู้ที่สั่งให้ร่างกายทําอะไรผู้ที่สุขผู้ที่ทุกข์นี้ไม่ใช่ร่างกายผู้นี้แหละที่จะเป็นผู้ที่ไปรับผลบุญผลบาปต่อไปอันนี้เราไม่รู้กันเรามองไม่เห็นกันทั้งทั้ที่เรานี่อยู่กับเราตลอดเวลาแต่เรากลับไปหลงคิดว่าเราเป็นร่างกายกันเราก็เลย ไม่รู้ว่าหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายเราจะกลับมาเกิดใหม่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรือกลับมาเกิดเป็นเดรัจฉานก็อยู่ที่บุญที่บาปเราทำกันแล้วนอกจากเป็นมนุษย์เป็นเดรัจฉานแล้วยังเป็นสัตว์ที่ไม่มีร่างกายไม่มีรูปร่างเช่นเป็นเทวดาเป็นพร หรือไปเป็นเปร์ไปตกนรกอันนี้ก็ไปเป็นสัตว์ที่ไม่มีรูปร่างเหมือนกันอันนี้แหละเป็นสิ่งที่เราต้องเชื่อเชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะสอนให้เรารู้ว่านี่คือความจริงว่าเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายเราจะขึ้นสูงขึ้นต่าลงต่ำก็อยู่ที่การกระทําของเรา ในปัจจุบันนี้ถ้าเราไม่ทำบาปเราก็จะไม่ลงต่งถ้าเราทำบุญถ้าเรารักษาศีลถ้าเราฟังเทศน์ฟังธรรมได้ปัญญาของพระพุทธเจ้ามาใช้กาจัดความโลภความโกรธความหลงความจัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจเราก็จะได้ขึ้นไปสู่ที่สูงไปสู่ที่ เราไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปนี่คือความเชื่อที่เราควรจะเชื่อกันเ<ม>ชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นของจริงพระพุทธเจ้านี่มีจริงพระธรรมคาสอนนี่ก็เป็นคาสอนของพระพุทธเจ้าจริงพระอริยสงสาวกผู้ที่เชื่อคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วปฏิบัติตาม คำสอนของพระพุทธเจ้าก็ได้บรรลุเป็นพระอริยเจ้าขั้นต่างๆกันเป็นความจริงไม่ใช่เป็นนิยายไม่ได้เป็นเรื่องที่เขาแต่งขึ้นมาหลอกให้พวกเรามาทำบุญมาทำทานมารักษาศีลมานั่งสมาธิมาปฏิบัติธรรมกันแต่เป็นเรื่องจริงเรื่องที่จะทำให้เราได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง ได้รับการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ถาวรที่จะทำให้เราหมดเพาะหมดเคราะหมดกรรมหมดทุกข์หมดภัยต่างๆตอนนี้ชีวิตของพวกเรายังเสี่ยงอยู่กับการประสบกับเคราะห์ภัยต่างๆเหมือนกับผู้ที่ขับรถบนท้องถนนนี้ยังต้องคอยเสี่ยงอยู่กับการประสบกับอุบัติเหตุต่างๆ ไม่เหมือนกับผู้ที่ขับรถไปถึงบ้านจอดรถได้ถึงบ้านแล้วก็ปลอดภัยพวกเรายังต้องขับรถกันอยู่ยังเวียนว่าตายเกิดกันอยู่เพราะเรายังหาบ้านของเราไม่เจอหาที่จอดของใจเราไม่เจอเราจะมาเจอก็ต่อเมื่อเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนามาพบกับพระธรรมคำสอนมาพบกับพระอริยสงสาวก หรือพบกับพ่อพระพุทธเจ้าแล้วเราก็จะได้ยินได้ฟังวิธีที่จะพาให้เราได้ไปสู่บ้านของเราไปสู่ที่จอดรถของเราเราจะได้ไม่ต้องเสี่ยงภัยขับรถอยู่บนท้องถนนอย่างที่เรากำลังเป็นกันอยู่ในขณะนี้เรากำลังเสี่ยงภัยกับการไปเกิดเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรตไป ตกนรกเพราะเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราทำนี้มันเป็นเหตุที่จะทำให้เราไปเป็นอะไรต่างๆเวลาที่เราเป็นเราก็ไม่รู้ว่าเรามาเป็นได้อย่างไรเช่นพวกสุนัขพวกเดรัจฉานี่เขาไม่รู้ว่าอะไรทำมาให้เขามาเป็นสุนัขอะไรมาทำให้เขาเป็นแมวกันพวกเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรทำให้เรามาเกิดเป็นมนุษย์กัน ถ้าเรามาพบกับพระพุทธศาสนาเราก็จะได้รู้กันว่าสิ่งที่ทำให้เรามาเกิดเป็นมนุษย์เป็นเดรัจฉานเป็นอะไรต่างๆก็คือการกระทาของเรานี่เองที่เรียกว่ากรรมกรรมนี้คือการกระทาของเราเราทำอะไรการกระทาของเราก็คือความคิดเราคิดคิดบุญคิดบา คิดแล้วเราก็สั่งให้ร่างกายไปทำบุญทำบาตตัวร่างกายเองไม่ได้เป็นผู้รับผลบุญผลบาตแต่ตัวที่รับผลบุญผลบาต ก, ก็คือผู้คิดผู้สั่งให้ร่างกายนี้ทำอะไรต่างๆก็คือตัวเรานี้เองตัวเราเป็นคนคิดคิดให้ทำบุญคิดให้ทำบาปแล้วเราก็รับผลของบุญของบาปตั้งแต่ยังไม่ได้ตายไป พอทำบุญเราก็รับผลบุญคือความสุขใจพอทำบาปเราก็รับผลบุญคือความไม่สบายใจความทุกข์ใจ้ะพอตายไปเราก็ไปรับผลบุญต่อรับผลบาปต่อจนกว่าผลบุญผลบาปที่เราได้ทำไว้มันหมดกำลังมันก็จะปล่อยให้เรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็มาทำบุญทำบาปใหม่ เราก็ทํากันอย่างนี้ไปเรื่อยๆ แ, แต่เราจะไม่มีวันที่จะไปหยุดการกลับมาเกิดหยุดการไปรับผลบุญผลบาปได้จนกว่าเราจะได้พบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่จะสอนให้พวกเร า, เ, าเดินทางไปสู่บ้านของเราเดินทางไปสู่ที่เราอยากไปกันคือที่มีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์ ที่ไม่มีการเกิดแก่เจ็บตาย<ม>คือพระนิพพาน<ม>การจะไปพระนิพพานก็ต้องทําตามที่พระเจ้าได้ทรงสอน<ม>ได้ได้ทรงปฏิบัติมามคือให้เราทําบุญทําทานแล้วให้เรารักษาศีลให้เราปฏิบัติธรรมให้เราฟังเทศสฟฟังธรรมแล้วเราจะได้มีกําลังมีปัญญาที่จะตัด ตัวที่คอยฉุดร่างให้เราไปเวียนว่ายตายเกิดกันก็คือกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆนี้มันจะสู้การปฏิบัติของการทําทานร<ม>ักษาศีลปฏิบัติธรรมฟังเทศฟังธรรมไม่ได้ถ้าเราปฏิบัติไปเราก็จะตัดความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆให้น้อยลงไปตามลําดับ แล้วในที่สุดเราก็จะสามารถตัดมันได้หมดทำลายมันได้หมดพอไม่มีความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆอยู่ในใจแล้วใจเราก็ไม่มีอะไรมาฉุดมาลากให้เรากลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปเราก็จะได้อยู่ที่ปลอดภัยอยู่ที่มีแต่ความสุขอยู่ที่เจริญที่สูงสุด ที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้ไปอยู่กันได้กำลังอยู่กันในตอนนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้หายไปไหนพระสาวกไม่ได้หายไปไหนเพียงแต่ว่าท่านไม่กลับมามีร่างกายเหมือนพวกเราเท่านั้นเองท่านยังอยู่เหมือนพวกเราแต่อยู่แบบสบายอยู่แบบไม่มีความทุกข์พวกเรานี้ยังอยู่แบบมีความทุกข์กันอยู่เพราะยังต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย ยังต้องพบกับเหตุการณ์ต่างๆที่เราไม่อยากจะเจอกันแต่ถ้าเราไม่กลับมาเกิดแล้วเราก็ไม่ต้องมาพบกับความแก่ความเจ็บความตายไม่ต้องพบกับเหตุการณ์ต่างๆที่เราไม่ปรารถนากันดังนั้นขอให้พวกเราจงเชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เถิดแล้วปฏิบัติตามที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สั่งสอนให้เราปฏิบัติแล้วเราก็จะได้ ไปอยู่กับพระพุทธพระเจ้าและพระอริยสงสาวูไปอยู่ในที่ที่ไม่มีความทุกข์มีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวไปตลอดเป็นอนันตการไม่มีวันสิ้นสุดนี่คือสิ่งที่เราจะได้รับถ้าเราเชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วน้อมเอาคําสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไปปฏิบัติก็คิดว่า